เรื่องแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอบหน่วยพรสรุสวัตที่พัฒนมงคลความพาสุกทุก ป, ประการจึงมังเกิดมีแด่ย่าโจมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรม พูดแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนใโอกาส น, นี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฏกรทาธรรมอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นาไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจาวัน เป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาเสบต่อไปตามสมควรกนเวลาอันจะพึงมีในวันนี้การการปาทกราท่รทำในวันนี้จะได้กล่าวกันในหัวข้อว่าแผ่นดินทรแผ่นดินทองตามความเรียกร้องต้องการและนโยบายเป้าหมายของทางรัฐบาลได้จัดขึ้นให้เกิดให้มีขึ้น อาตมาภาพในฐานะเป็นพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนารู้สึกยินดีอนุโมทนาสาธุการเห็นด้วยยินดีด้วยกับโครงการนี้พันเปอร์เซนหมื่นเปอร์เซนก็พอดีวันนี้ไต้มีโอกาสมากล่าวปาตกรทาธรรมที่นี่ก็เลยก็จะถือโอกาสนี้พูดเรื่องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่เรากำลังจะพูดกันในขณะนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เราควรจะต้องรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ข้อที่คิดรู้กิจที่ทารู้คำที่กล่าวตื่นจากความโง่หลับไหลงมงายที่ไรเหตุผลเบิกบานแจ่มใสด้วยความสงบในจิตในใจไม่มีสิ่งใดที่จะมาบีบคั้นจิตใจให้เป็นทุกข์จนเป็นโรค ประสาตอยู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ชาวพุทธจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้ น, น, นถ้าหากยังไม่รู้มันก็ไม่ตื่นแล้วมันก็จะเบิกบานแจ่มใสได้อย่างไรท่านทั้งหลายลองคิดดูเมื่อพูดถึงคําว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเราก็จะต้องมารู้จักคําคํานี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเข้าไปเกี่ยวข้องกับคํานี้ว่าคําว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี้คืออะไร และทำไมจึงต้องใช้คำว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและเราจะจับแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี้มาเพื่ออะไรและจะจับแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี้ให้เกิดมีขึ้นมาได้โดยวิธีใดขอท่านทั้งหลายลองฟังดูก็แล้วกันว่าเราจะพูด ก, กันในเรื่องนี้ให้มันรู้ว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดอนามารู้สึกเป็นศิลปมงคลเพียงแต่ได้ยินคาว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง แต่คำว่าแผ่นดินทำแผ่นดินทองนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันที่มันจะเป็นไปไม่ได้และก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมายกป้ายออกมาอวดชูกันเฉยๆแล้วในหมู่บ้านนั้นก็เต็มไปด้วยบุคคลใจต่ําจิตสามตั้งแต่ชาวบ้านโดยทั่วๆไปแม้กระทั่งวัดวาอารามก็เต็มไปด้วยบุคคลไม่รู้จักความหมายคาว่าแผ่นดินรมแผ่นดินทองอารมามได้เดิน ออกจากวัดตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อออกพรรษาวันที่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดก็พาพระนมเนน้อยอย่างเติกออกจากวัดเพื่อที่เราเรียกทุกวันนี้ว่าออกเดินทุดงความจริงทุดงนั้นไม่ต้องเดินดอกอยู่ในวัดนี่ก็สมาทานธุดงยิ่งดีกว่าเดินแต่ที่เดินนั้นอาตมาไม่ไม่ไม่เรียกว่าเดินทุดงเรียกว่าธรรมจาริกคือจาริกไปเพื่อการ ศึกษาทำการปฏิบัติธรรมเพื่อสังเกต observe ดูเสถียนภาพของพระพุทธศาสนามีความมั่นคงแค่ไหนในชุมชนในแผ่นดินนี้และอีกประการหนึ่งก็เพื่อฝึกอบรมบารมีเพิ่มเติมความอดทนเพิ่มเติมสติปัญญาอะไรต่ออะไรหรือจะเรียกแบบสมัยใหม่หรือว่าออกซ้อมรบแบบทหารเขาออกซ้อมรบ expedition ออกปฏิบัติการสันนามข้อภัยใช คำใหม่ๆะซ้อมรบกับกีรไม่ใช่อะไรหรอกพาผาเน่งออกอดออกคนออกพรรษาแล้วมันมีจังงานกรถิ่นมีจังงานรอยกระทงทุกหมู่บ้านเสียงขับเสียงปิ่นเสียงแขนเสียงซอเสียงซึ่งเสียงมอร้องมอรำเสียงนังเสียงละคร s ต r i n คอ o โบคอนเ c e r t ตตลอดกระทั่งดิสโก้เทคตาบ้านนอกเกิดขึ้นดือนเดือนสิบสองลมเหนือร่องม่านฟ้าผ่องออกมา แม้ในหัวควายมันก็คึกคานองเสียงวิหกนกตาตีปีกร่าร้องสนุกสนานหนุ่มสาวก็ร้องรำทำเพลงสนุกสนานกันพระสงฆ์องค์เจ้าพระนุมเนรน้อยก็หันรีหันขวางอยากแกสสนเพราะนั้นก็เลยพาออกซ้อมรบกับกิเลสพวกนี้แล้วก็เลยสังเกตเดินทางจากอำเภอคำตะกา้าจากบ้านแขก ไปเรื่อยๆผ่านวานนอ น, นิววาดเขตอำเภอวานนอนผ่านเขตอำเภอพังโคนเขตอำเภอพันนาข้ามไปผ่านเขตอำเภอกุดบากทะลุออกเขตเขาวงเข้าเขตดงหลวงข้ามไปเขตคําเชอีออกนิคมคำสร้อยทะลุออกเสนางคานิคมเข้าอำนาจเจริญไปปาชกัะทาทำที่ทําแสงเพชร จบจากนั้นก็นเดินต่อผ่านอำเภอชนุมานมากอำเภอดอนตาลเรียบล้อฝั่งโคงมามกดาหารผ่านทา่าพนมเรนูนครมานครพนมออมานี่ทาอูเทนสีสงคมเข้าบ้านแพงขึ้นผูงวัวเขตอำเภอบึงของหลวงจังหวัดหนองคายใช้เวลาเดินเอ็กซ์พีเดชันกันจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาบ้านแล้วบ้านเราได้สังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าคิดน่าเป็นห่วงพุทธศาสนา มีสิ่งหนึ่งที่สะกิดใจให้เกิดความรู้สึกคือโมบ้านแผ่นดินธรรมแพนดินทองถ้าเดินทางผ่านเขตที่เรียกว่าโมบ้านแพ่นดินธรรมแพ่นดินทองถถวของจังหวัดสกลนครแล้วก็ไว้ใจไม่ได้ในเขตจังหวัดสกลนครถ้าเข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานีโอเคสบายมากแล่มตั้งแต่นี่คมคําซ้อยเป็นต้นไปประชาชนตื่นเนื้อตื่นตันตนตวเห็นพระมาเยอะๆอ้ยเดินผ่าน ในหมู่บ้านวิ่งกันเอาน้ํามารอรับในเขตอําเภอรเราพยายามหลบหลิกตลาดแต่ประชาชนก็พอเห็นพ่อเดิมผ่านเนาเอาน้ําแข็งมารอนั่งประนมเหมอเราต้องยืนให้พร อ, อวยพรแล้วก็สอนธรรมะบ้างเล็กน้อยประทับใจในศรัทธาของมหาชนแต่ถ้าบ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเขตจังหวัดสกลนครอําเภอไหนก็ตามใจเถิดโอ้ยไว้ใจไม่ได้แต่เขตสกลนคร กลัวอย่างนี้ไม่ใช่ประจานตัวเองเดินก็ไปถึงหมู่บ้านตัวจะเข้าบ้านค้ายเบิ่เลเลยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตัวเท่ากับบุญตัวหนังสือโคดีใจว่าเราคงจะได้เห็นเพื่อนร่วมพุทธศาสนาของเราผู้ชื่นชมอยู่ในคุณศิลป์คุณธรรมบ้านเมืองคงจะสงบร่มเย็นแน่ๆบ้านนี้ที่ไหนได้เดินเข้าไปหน่อยหนึ่งควายตื่นพราะเวรพระาะว่าวิ่งเชือกขาทานหมู่บ้าน บ้นึกในใจควายบ้านเป็นดินทําเป็นดินทองนี่ชอบตื่นพระไม่เหมือนควายบ้านอื่นพอเดินพ่านก็ไปอีกหน่อยมา้าวิ่งก็มาเป็นฝูงเห่าพระกรรมาฐานบ้าม้าบ้านเป็นดินทําเป็นดินทองเขาเป็นอย่างซี้นี่คิดในใจอย่างนี้พอเดินเลยไปหน่อยเข้าไปในหมอกบ้านถึงทางสามแยกน่าจะเป็นสามแยกมีร้านค้ากองทนุน พอเจะามาไปกันเยอะยี่สิบก็เข้าไปถามคนที่ขายของร้านปองทุนนอนอยู่กับเด็กขาสบายอยู่ถามว่าโยมวัดบ้านเราอยู่ทางไหนมันค่ําแล้วอยากจะแวะไปพักมีกี่วัดมีสองวัดนอนพู่กับพระสบายวัดหนึ่งอยู่ตรงนั้นวัดหนึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจเราก็นึกว่าโอ้ชาวบ้านแผ่นดินทําเป็นดินทองเป็นอย่างนี้ ไม่ค่อยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักเอ็กซ์เพรสชั่นแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลสิ่งของกิจกรรมอะไรเลยเ อ, อ๋อแข็งกลยบ้างจริงๆในที่สุดก็เดินไปเห็นวัดโบ่เลอะเลยก็แวะเข้าไปมันเหนื่อยพรเดินกันมาตีนแตกเท้าพองหมดแลด้วมันเลใส่รองเท้าวแวะเข้าไปในวัดคิดว่าขึ้นไปกราบพระประธานซะให้ดีๆระวางมริหารไว้ข้างล่างและจะกราบท่านจะเอาว่ากับท่าน พระเจ้าถิ่นเห็นพระท่านนั่งอยู่สามสี่องค์ที่ศาลาเราขึ้นไปกราบพระประธานกราบลงไปทีต้องปัดมือสามสี่ครั้งเพราะมันมีแต่ฝุ่นมีแต่ความสกรปรกสาลาวัดบ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองไม่เหมือนวัดธรรมดาหันมาจะมากราบพระท่านก็หนีหมดเลยลงจากศาลาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้พระบ้านแผ่นดินธรมแผ่นดินทองก็เดินเข้าไป ตามทั้งกันไปในกุเตคูบาอาจารย์โอ้ยขอขาบขอไหว้เน้ขอน้อยเพราะูเขาทั้งหลายเดินทางมาใํา ม, มืดขอเสอมีแห้งําแน่ท่านไปนั่งรวมกันอยู่ที่เตียงอันหนึ่งสักสี่องค์ไม่รู้ว่ากลัวหรือว่าตื่นเต้นหรือยังไงไม่ทราบมวนบุรีแล้วคีบไว้อย่าง ไ, ไ, ม, ม, งไม่จดเราก็กลาบลงไปอย่างงดงามบอกว่าพวกผมขอสดแสดงความเคารพเดินทางมาถึงนี้ขอพักผ่อนด้วยเหนื่อ ย, ยใจจริงก็อยากจะนอนด้วยนะั่นแหละ ทั้งก็ไม่ว่าอะไรในที่สุดเราก็ไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นได้แล้วก็ได้ออกจากวัดนั้นได้กินน้ำี่แม่ชีเอามาให้แบ่สามะเนรน้อยแม่ชีบอกโอ้ยอนซ้อนเดชจะเป็นมานไหลในที่สุดก็เห็นพระสองฆ์องค์เจ้าท่านม่โอภาปาา่าใสพระบ้านเป็นดินทำเป็นดินทองและไม่เหมือนบ้านอื่น เลยย้ายออกจากวัดนั้นไปอีกวัดหนึ่งเป็นวัดป่าเนน้อยวิ่งให้จีบอลปลิวว่อนเลยพระก็เดินลงศาลาไม่ใส่ไม่คล้องผ้านุ่งแต่ผ้าอังสระก็สบงเดินเวียนอยู่นอกอาตมาต้องตามไปจับแขนไว้ว่าท่านจะนิ่งไปไหนนะพวกผมมาไม่ให้ท่านลาบากอะไรหรอกน้ําท่า ก, ก็มีกระติกมาเองด้วยมีกรดมาด้วยขอนอนใต้ร่มไม้อาศัยชายคาสักคืนวันนี้มันมืดมันค่ําความจริงเรา จะนอนที่ไหนก็ได้ในป่าชาหรือที่ไหนก็ได้แต่เราไม่อยากสร้างความแตกแยกไปที่ไหนมีวัดต้องพักวัดทําความเข้าใจกับพระรงองค์เจ้าเสพเ ซ, เซมานานกันว่าบ้านเราเป็นยังไงเมืองเป็นยังไงซาตานาเราเป็นยังไงประชาชนจะได้เข้าใจกลางคืนคนมาจะได้เห็นให้ฟังด้วยเป็นการประสาประกาศซาตานาเป็นในตัวถ้าเราเป็นนอนป่าชานอนในป่าทําเป็นแข่งๆคืบๆประชาชนก็จะลังไลไปขอเลขขอหวยขอเบอร์ ไปจังหันไปทําบุญเยอะๆพระในบ้านไม่มีอะไรจะกินมันสร้างความร้าวรานในสังคมที่ได้มีรอยร้าวเราเข้าประสานที่ไหนมีความชิงชังเราปล่อยวานความรักถ้าอย่างนี้บ้านมันก็จะอยู่เย็นเป็นสงในเมื่อพระเองก็ยังทะเลาะ ก, กันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมูเป็นคณะโยจะให้ประชาชนสามัคคีกันได้อย่างไรคิดอย่างนี้ก็เลยจับแขนท่านไว้ว่าอยไปไหนนะผมไม่ไม้ท่าลําบากหลอกขออยู่อาใส่ร่มไม้ชายขาสะเคืนงกลางกดนอน น้ำก็มีจะไปเกาะเองท่านก็เลยสบายใจคือนั่งก็เลยได้นอนบ้านเป็นดินทําเป็นดินทองบ้านเป็นดําบลเบอร์ เ, เลอร์เธอคนสักคนหนึ่งจะลงมาหาภะก็ไม่มีแสดงว่าบ้านเป็นดินทําเป็นดินทองของเรานี่ไม่เหมือนบ้านเ อ, อิญเช้ามาก็ไปบินทบาทมีคนสายบาดให้นับดูแล้วก็ได้โหลหนึ่งพอดีคืออาหารพระเรามาเยอะเกือบจะไม่ไหวก็พอได้กินโปรเรียนโปรเรียนไปหน่อย นี่นึกเนี่โอ้เป็นอย่างนี้ป้ายแผ่นดินทําแผ่นดินทองนั้นยกขึ้นมาชูราอวดอ้างเพื่อลบปมด้อยของตนเองจิตใจยังไม่ได้ใกล้ทํากันเลยทั้งทั้งพระทั้งชาวบ้านเห็นแล้วก่อนนะ่าสมเพเทเวทนาเพราะฉะนั้นก็ว่าแผ่นดินทําแผ่นดินทองนั้นไม่ใช่เฮ่เฮ่ไปเฉยๆยกป้ายขึ้นแล้วก็เป็นแผ่นดินทําแผ่นดินทองได้แล้ววัดอีกอย่างขึ้นชื่อวัดแล้วยังไม่พอสํานักวิปัสสนากรร ม, มาฐาน หายอย่างนี้เกาะไว้ใจไม่ได้อีกเหมือนกันอาจจะคุยเหมือนบ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองก็ได้เพราะฉะนั้นวัดนั้นไม่จําเป็นต้องยกป้ายวิปัตนากรรมฐ า, านหรอกเพราะหน้าที่ของพระก็คือฝึกจิตอาธิจิตเตะอาโยโขโกธรําประกอบในทางทําจิตให้ยิ่งอย่างนี้มันก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องยกป้ายมาคุยก็ได้หรอกนี้เราให้ฟังว่าแผ่นดินทําแผ่นดินทองนั้นเราจะต้องมาทําความเข้าใจกัน ทำไมจึงต้องมาทำเรื่องแผ่นดินทำแผ่นดินดองขึ้นมาเอ่อทุกวันนี้บ้านเมืองเราจเจริญด้วยวัตถุด้วยเทคโนโลยีไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วความจเจริญได้รวดเร็วมากเกือบจะฉุดไม่อยู่เกือบจะรั้งไม่อยู่กลายกันลิบเดี๋ยวนี้น้ําไหลไฟสว่างมีถนนห น, นทางไฟฟ้าน้นําประปากันเกือบจะทุกหมู่บ้านแล้วซึ่งการพัฒนาได้เชี่ยวกรากในทางวัตถุในสมัยก่อนนู่นแผ่นดินนี้บ้านนี้เมืองนี้โดยเฉพาะภาคอีสานไม่จเจริญทางวัตถุ แต่จิตใจของคนดีงามมากภาคกลางเจริญก่อนภาคใต้ภาคเหนือเพราะภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกถูกกระทบกระเทือนจากการล่าอาณานิคมของชาวฝรั่งมั่งค้าพโปรตุเกสฮอลันดาฝกฝรั่งอังกฤษฝกฝรั่งเศสและพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นสนามรบกับพม่าจําเป็นต้องตื่นตัวตื่นใจอยู่เสมอพัฒนาตนเองคนภาคกลางภาคเหนือภาคใต้จึงต้องเจริญก่อนทั้งทางวัตถุและวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาก่อน ภาคเราส่วนอีสานนิสบายรบกับพม่าเปร้ยร้อยปีอีสานไม่เป็นไรการละอาณานิคมของอังกฤษฝรั่งเศสอีสานนอนสบายดงพญาเย็นพญาไฟนี่มันกัน้นอีสานกับภาคกลางว่าอีสานมีความเกี่ยวดองข้องญาติวัฒนธรรมร่วมสมัยกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนเรา เพราะเราเป็นลูกขุนบอลลมมาด้วยกันตั้งแต่อาณาจักรอ้ายลาวมีพุทธศาสตร์ธนามาพร้อมกันตนทางภาคกลางภาคใต้แต่รับพุทธศาสต ร, ร์นาสวรรณภูมิในสมัยสังกายนาครั้งที่สส่วนพวกอีสานนั้นได้รับพุทธศาสตร์ธนามาตั้งแต่อพยพโยกย้ายจากนู่นอาณาจักรอ้ายลาวหนองแสตลีฟูทะเลสาบเอ๋อร์หายลงมานุษย เราจะอยู่กันฉันพี่ฉันน้องอบอุ่นภายใต้อ้อมออดอันอบอุ่นแห่งศิลธรรมจำเหมือนหนึ่งเขือญาติอันเดียวกันมีระบบแห่งชีวิตละระเบียบของสังคมเรียกว่าฮีตสิบสองของสิบสีสมัยนู้นอีสานเป็นแผ่นดินธรรมถึงแม้ไม่เจริญแต่จิตใจนั้นอบอุ่นซึมซาบด้วยคุณธรรมนู้นบ้านที่มีบ้านน้องกองดองกันนักหนาเก็บไข้ได้ป่วยเฝ้ากันทลุกพลับทั้งคืนเช้ามาไครไปทุ่งไปท่าไปป่าไปเขา ได้อาหารดีๆต้องเอามาฝากคนไข้สกัดเพราคนไข้คลําอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องต่อมาอิสานได้เริ่มเจริญเมื่อสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ประกาศก้องอยู่พุกวันในวิทยุในเรื่องพัฒนาแต่ขอเราไม่รู้จักคําว่าพัฒนาการพัฒนาการประเทศจะสําเร็จลงได้โดยหลักสามประการคือหนึ่งความสามกีระหว่างชนในชาติสองความขยันหมั่นเพียรในการงานสามความเจียวชาญชํานาญในสาขาวิชาการต่าง รัฐบาลกำลังพยายามหาผู้เชี่ยวชาญจํานากในสาขาวิชาการ ต, าต่างๆมาช่วยงานของชาติแล้วได้ยินเขาบอกพักหนาเพราะจอมพลสฤษดิ์ทนรท่านเป็นคนอีสานท่านก็เลยมุ่งมาอีสานเห็นว่าอีสานล้าหลังเพราะยังเป็นยักษหลับยังไม่ตื่นที่ไม่ตื่นเพราะไม่มีอะไรมกากระทบกระเทือนไม่มีภาวะสงครามไม่มีการล่าอาณานิคมการติดตอ่อกับภาคกลางยังตัดขาดตั้อยู่สมัยก่อนนอนพอเริ่มนี่ปลุกอีสานใหญ่เลยยักษ์อีสานก็ยังหลับเริ่มจะตื่นปังโงปงังเอขึ้นมา ในขณะที่ที่อื่นเขาตือนและอีสานเรายัางเป่าเสียงพินเสียงแทนขับกล่อมแดนอีสานผูผานสูงต่างงานเสียร ฟ, ฟ้าปังนุมเสมือนหนึ่งว่าเป็นอกของผ้าอีสานแม่น้ํำของโอ้อดไรรินได้อืดได้ดื่มได้กินกันอบอุ่นในหัวใจเสียงพินเสียงแทนกลมแดนอีสานลมพัดภยัยนเจยพู ม, มพิแมงผูตอมดอกผู้สาวยิกแม่พุทธพัดม้อนงัวขินผูแม่ห่างปอมโลกตาเต็นก่อนคือคนเสต็นก่อนตาสอยน่อยสอยงัยโอ้ยสนุกสนาน เมื่อสริดเริ่มพัฒนามอดช่วงสเลตมาช่วงถนอมมานี่มันถึงรุ่นคึกฤทธิ์ป่าโมดโอ้ถนนหนทางกสอชอถนนคึกฤทิ์ทางคึกฤิ์ต่อมาก็มีรอพอช อ, อะไรเร่งกันบุกเบิกเอาแล้วรถเข้าไปโส่หมู่บ้านอีสานตื่นตื่นไม่ใช่ตื่นตัวแบบมีสติแบบชาวพุทธแต่ตื่นแบบกระต่ายตื่นตัตื่นถนนอยากจะได้รถยนตอยากจะได้มอเตอร์ไซ ทำยังไงจะได้ไม่มีขายไรขายนานี่มันตื่นกันมากก็ไปซื้อต่อมายุคเปลี่ยนเดนโซลานนนไฟฟ้าเข้าสู่ทุกโมบ้านอีสานตื่นไฟฟ้าทีนี้ตื่นทุกโมเพลเวเหมือนคนนอนหลับๆ ล, บลบัตกใจตื่นแล้ววิ่งชนต้นไม้ต้นลายตกเหวตกข้วยไปเลยอย่างนี้เรียกว่ากระต่ายตื่นตูมไม่ใช่ตื่นด้วยสติปัญญาการพัฒนาทางวัตถุทางมีอีสานนี่เลยตื่นกันมากขึ้น ตื่นไฟฟ้าสิ่งไม่จําเป็นก็เกิดขึ้นจําเป็นจะต้องมีโทรทัศน์จําเป็นต้องมีพัดลมจําเป็นต้องมีตู้เย็นจําเป็นต้องมีวิทยุจําเป็นต้องมีวีดีโอไม่มีไม่ได้คนอื่นเขามีเราจะต้องมีไม่มีทํำ ย, ยังไงอยากแกได้ไม่มีเงินซื้อก็ต้องหาเงินมาผ่อนสมเน่ยไม่มีเงินผ่อนสมก็ต้องมีเงินดาวสะก่อนถึงเงินดาวไม่มีก็ต้อ ง, งไปยืมเกษตรไปยืมสหกรณ์มีหนี้มีเส้นเต็มหัวพลุงพลังยืมสหกรณ์ยืมเกษตรมาแล้ว เงินกู้ตัดไม่โทรออกเหลือแต่เงินกู้ก็ศาสตรกินหัวเอาแล้วบางบ้านยกบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งแอมยังไม่เสร็จมีฝาอยู่สามด้านหลังคามุงหญ้าครึ่งหนึ่งสังกะสีครึ่งหนึ่งยกเสาโทรทั์แฝงโทรทัขก้นเถอะแล้วโอ้โหอีสานตื่นเลือเกินเต็นนี่เป็นศิลวันเสาร์วันอาทิตย์รู้จักเลือเกินแต่ก่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ยุดงานกันดอก ชาวไร่ชาวนาต้องไปทำงานทำควารรู้จักแต่วันพระวันเจ้าได้ยินเสียงตีกองดึอกกองแรงยกใส่เก้าเท้าใส่หัวซาทุ่มวยมวยของส้งโคบเอาทำความดีเนี่ยวันสิ้นวันพอดบา บ, บุญได้หวนห่วงฟองมุยหน้าคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียพรพมเป็นผู้นนำส่องให้จิตใจได้แจม่มใสในตัวหญิงอยากให้พ่อได้แบ่งกันกินก็น้องมีสิ้นธรรมอยูนนำกันได้ผลบ้านพีนี่บ้านหนองปองดองหักแกนถึงงามถูกเนี่ยแขนบ้านเอิดซอยกัน สมัยเกาะโน่นอีสานหาอยู่หากินอยากกินเห็ดภายกระตาขึ้นโคกอยากกินปลาแบกแห่ลงน้ําได้มาเป็นหาเป็นคอรองมาเทใส่กระจาดกระดง้งเรื่องพี่เรียกน้องมาเอาไปอยู่ไปกินไม่ได้ซื้อไม่ได้หากันนี่อยู่กันอย่างนี้ในสมัยนั้นคิดใจดีงามม า, มากรักกันจันพี่ฉันน้องเรียกว่าแผนิิรรมแต่ยังไม่มีแผ่นดินทองพอยุคสมัยที่จเจริญมานี่ตื่นไฟฟ้าตื่นทานนลนทางโอ ไม่รู้จักวันพระวันเจา้ารู้จักแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ไถนาอยู่กลางทุ่งแต่ก่อนไถนาไล่ไปควายไปได้ยินเสียงของมุยยุดดึงควายหยุดปักคันไถ ย, ยกมือใส่หัวสาทุวันนี้วันพระจิตใจอ่อนน้อมอ่อนโยนในขณะที่กำลังโตดควายกำลังไล่มันอยู่ควายก็เลยพลอยได้รับบารมีจากคุณธรรมด้วย เดี๋วนี้ทวันเสาร์วันาที่ย์เราตะควายวิ่งถาดอๆขามันจะหักตายควายจะพร้อมตายฟาวออกเต็มปากน้ำลายฟูปากควายมันเหนื่อยตีมันวิ่งกลัวจะไม่ทันมวยโลกกลัวจะไม่ทันรายการมวยเสร็จแล้วก็ผูกควายไว้ให้เมียดูแล้วก็ดำนาคอยทาคอยเด้อคอยไปเบิ่งหนังเบิ่งมวยก่อนนะเป็นอย่างนี้ เป็นนี่เป็นสินเอานาไปจำนองเกษตรซื้อโทรทัศน์อะไรต่ออะไรต่างๆโอ้นี่เรียกว่าตื่นอีสานไม่ใช่ตื่นกรุงและอีสานตื่นตูมแล้วที่นี่นี่คือความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีเรียกว่าแผ่นดินทองแต่แผ่นดินทำได้หายไปสมัยแรกคนไม่มากมีธรรมะในหัวใจเรียกว่าสมัยหาอยู่หากินอยากกินปูกินปลาหาปลามาแบ่งกันกินอยากกินเห็ดหาเห็ดมากินพอรเริ่มเจริญขึ้น สมัยสรีพัฒนาอ้าวไม่ใช่เวลายุคหาอยู่หากินกล้เป็นยุคเฮ็ดอยู่เห็ดกินสร้างอยู่สร้างกินยากกินหม oh เูเห็ดไปไก่ต้องเลี้ยงอยากกินปลาต้องขุดบ่อเลี้ยงแต่ก่อนมีแต oh ่หมูแมวขี้ซีหน้ายาวๆหลังแอนแอ น, แอนท้องรากดินพอถึงสมัยสรีมีพันเบิกพันอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยต่อมาก็รู้จักปลุกรู้จัก อยากกินเห็ดก็ปลูกเห็ดเป็นสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักปลูกเห็ดในช่วงนี้จิตใจก็ได้แคบลงซงล่งทําได้เสื่อมลงความจเจริญทางวัฒนธรรมมากขึ้นรู้จักเห็ดอยู่เห็ดกินชาวอุบลราชธ า, านีแต่ก่อนหาอยู่หากินนาไม่ดีย้ายไปอยู่เมืองสกลนครไปอยู่ทางนครพนมน้องคายทางเมืองสกลนครน้องหารฝากองน้องหานถุนดินดําน้ำส่งปลาโกมบ่อนคือแขกคอยหางปลาห น, านังบอดคือค้างฝาลันจเจรินห่องคือกลองรันเสีย ง, งไปทํำไงเฮ้าวะจ๊ะ ย, ย้ายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องย้ายถึงยุกเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพัฒนาตนเองใส่ปุ๋ยใส่อะไรงามนาโคกขี่กระต่ายกอกงามแสนจางงามคนอุบลก็เลิอกอพยพยกย้ายมาถึงสมัยพัฒนาแต่จิตใจแคบหลงต้องซื้อกันกินขอกันกินไม่ได้แต่ก็ยังชั่วนหน่อยซื้อกันกินระหว่างคนอื่นส่วนมูญ่าก็พอแบกงานกินพอถึงสมัยน้ำไหลไฟสว่างถนนห น, นทางไปมาทั่วกัน มีไฟฟ้าขึ้นกำลังตื่นกระต่ายตื่นตูมตื่นถนนต้องซื้อรถยนตต้องซื้อรถมอตาไฟตื่นไฟฟ้าจะต้องมีวิดีโอต้องมีโทรทัศน์ต้องมีตู้เย็นพัดลมต้องดื่มน้ำโพลาริปโพลารอยอาวแลนด์ิสทินวอเตอร์ตํ้มมาคงบ้านนอกต้องไปซื้อน้ำกินขวดละสองบาทไยอีสานตื่นตูมทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นบูชา ตื่นตูมกันเลือกเกินทางวัตถุก็เลยเป็นหนี้เป็นสินเป็นโลกกระเพาะเป็นโลกประสาทมากขึ้นศินลธรรมเสื่อมรามสมัยนี้ถือว่าสมัยซื้อสมัยขายสมัยซื้ออยู่ซื้อกินซื้อแย่งกันซื้อแย่งกันขายแม้แต่พ่อแม่กับลูกก็จะต้องซื้อกันอยู่ซื้อกันกินคอยซื้อมาได้อีเมลเจ้าอยากได้เจ้าแทนทุนเอาเดอ้อเท่านั้นเท่านี้แให้กันยืนไม่ได้แล้วระหว่างลูกกับพ่อกับแม่ต้องได้ซื้อกันกินในสมัยนี้ ไม่มีสมัยใดจิตใจจะตำซามถึงขนาดสมัยนี้ค่าแล้ว ข, มข่มคืนข่มพื้นแล้วฆ่าอาชุญากร อ, อาชญากรรมมากมาย่ายกองหน้าหวัยหลังหลอกข้างหน้ากระรอกข้างหลังกระแตข้างนอกกอบหวานไว้ข้างในขมมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้พูดออกมาแต่ละคำจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบเห็นกันเป็นอาหารการกินเป็นมิกัฉาทิยไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจําเป็นที่เราจะต้องมาพัฒนาทางจิตใจยุดวัตถุไว้ก่อนคนโบราณบอกว่า มีเกียนคันบะมีงัวพร้อมสิเอายังมากแกมีแต่เกียนคันบะมี่ไม่คำหัวสิง่ํามใส่ขิดินมนีหัวคันบะมี่อมป่องสิเป็นห้างนกเป็ดป่องมีแต่หัวผมบะพร้อมเขาเสื่อเอิญว่าเดินเฮามีเฮือกันบะมีพ่ายหวงสิเป็นห้างพักบัวมีผัวคันบะมี่ลูกหน่อยเขาเสืเอิญแม่หมันมีขั้นคันบะมี่ผัวสอนนอนนั่เขาสิว่าเจ้าแล้วมีลูกหามีงอนโศเขาสเสื่อเจิาใส่ทัง มีท่องกันว่ามีถ้ำฝกจานี้มือหอยเถือแพ่งเอ้ยมีข้ามกันว่ามีอินอ้อยอ้อยอยู่ไวกับบ่อฟังลาเอ้ยแน่คนโบราณพูดไว้อย่างนี้มีท่องว่ามีถ้ำฝกจานี้มือหอยเถือมีข้ามกันว่ามีอินอ้อยอ้อยไว้กับบ่ฟังมีทองคือความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีแต่ไม่มีคุณธรรมมีรถเก๋งติดแอร์ปรับอากาศมีบ้านปรับอากาศมีเครื่องบินขี่ทุกคน แต่จิตใจร่าร้อนหรือความอยากได้อยากมีอยากเป็นจ้องเอารัดเอาเปรียบกดขี่ก้มเห็นกลัวคนอื่นจะเอาเปรียบกลัวคนอื่นจะได้เปรียบกลัวเราจะขาดทุนกลัวเราจะเป็นผู้แพ้ต้องเป็นผู้ชนะยอมไม่ได้ให้อภัยใครไม่ได้ในที่สุดก็เลยโต๊กนรกในห้องแอร์เรียกว่านรกห้องแอร์โลกประสาทกินหัวเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้เรียกว่าหนี้ทองบ่มีทําโศกจานีมืหหอยเถ้าเจริญทางวัตถุแต่ใจิตใจมันต่ำสาม ไม่มีศีลไม่มีธรรมจนไ ม, ม่สามารถทํากิเใจให้สะอาดสว่างสงบเยือกเก ย, อย็นได้แต่ถ้าหากมีธรรมไม่มีทองก็ยังอยู่ได้คนโบราณบอกว่าเจ้าผู้นั่งในหมงสังมาหายยุ่งกัดเด๋นะคอยผู้นอ่งเปื่อยป๋าสางบะมียุ่งตรองสักัโยงกระยานเต็นสังมายืนตัง้งเทียงของตัวข้ามหมากเมี่ยงสังเจ้าหาบบไว้ของนักสังถือใดไปมาโดยง่ายคําแพงเอ๋ยนี่หมายความว่า นอนในม่งสังมาหายยุ่งกัดมีรถเก่งมีรถสิบล้อมีกิจกรรมการค้าธุรกิจใหญ่โตแต่ให้โลกประสาทกินหัวให้ความทุกข์บีบพันจิตใจอาตมากินข้าววันละครั้งเดียวนอนอยู่ในกฎนอนตามป่าตามดงเดินทุ ด, ดงไปพาพระเนรออกซ้อมรบในป่าในเขาจิตใจสบายสบายไม่มีความทุกข์บีบพันจะได้ขาดทุนได้กำไรอะไรต่างๆใครจะเอารัดเอาเปรียบใครจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระครู เป็นเจ้าคุณไปเลยไม่สนทางนั้นข้าไปเจ้าคอยที่จะกําจัดความเห็นแก่ตัวทําลายความยึดมั่นถือมั่นออกได้เท่าไหร่ยิ่งดีทําลายอัตวาทุกปาทานความยึดมั่นว่าเราดีเราเก่งเราเด่นเราดังให้มันหมดไปหมดไปอย่างนี้จิตใจก็สบายนอนในหมงเลมยมวยยุ่งกัดเจ้าผู้นอนเปืยป่าสามบ่มทางแต่มียุ่งตองเทเรศพันธ สักกนโญ่ก็ยานเต้นต้งมายืนตั้งเทียงของท้อคำหมาเปี่ยงตังเจ้าหาบบวายเต้นกันเลือเกินมีอาการเหมือนกับจะวิ่งเต่นหลับแต่ตายใจมันไม่หลับนอนพลิกไปพลิกมาฟ้าแจ้งจังปางวิ่งเต้นวิ่งเต้นวิ่งเต้นยังไงได้จังจะเป็นชีวิตมีอาการเหมือนกับเจะวิ่งนอนโยมันกล่า ว, วิ่งในที่สุดสักกนโย่ก็ยานเต้นต้งมายืนตั้งเทียงไม่ได้อะไรตายแล้วไม่ได้อะไรเลย ของเขาข้ามหมากเมี่ยงสังเจ้าหาบไวความปล่อยความวางความไม่ยึดมัน่นตึ้อมัน่นความเมตตาปานี้เอื้อเพื่อเพลแพรในจิตในใจไม่ได้ซื้อสักบาทไม่สร้างให้เกิดให้มีให้ตนเองมีความสุ ข, ของนักตั้งถือใดไปมากโดยง่ายสิ่งที่เรานั่งสแสวงหานั่งเล่นไฮโลกันทั้งคืนยันสว่างไม่ปวดหลังปวดเอวนั่งเล่นผ้ายดำหนี้กันยันสว่างตึ๊กข้าวก็ไม่กินสูบุหรี่อบปอดพรมควันกันอยู่ทาได้ทําได้ แต่นั่งสมาธิดูลมหายใจช่วย ๆ, ๆทาไม่ได้ไม่ได้เสียเงินมีแต่สุขภาพดีๆทําจิตให้บริสุทธิ์ทองใสทําไม่ได้ยี่ยังว่าคลองนักสั่งถือได้ไปมาโดยงานนั่งเล่นไผ่ทั้งคืนยันสาว่างเล่นให้โลยันสาว่างกินเหล่ายันสาว่างโอ้เต้นลำวงยันสาว่างได้ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรแต่นั่งสมาธิหรือว่าพิจิตพิจารณาศึกษาคนา้นคว้าไต่ตองสิ่งที่ดีที่งามไม่ได้เพราะฉะนั้น เราจะต้องหยุดการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางวัตถุ ก, กันได้แล้วหันมาพัฒนาทางจิตใจนี้เช่นนั้นมีทองบ่มีทําฟอกจานนี้มือหอยเถื่อมีขํากันบ่มีอินอ้อยอ้อยไหวสี่บอกฟังเพราะในสมัยนี้สมัยซื้อสมัยขายอย่างนั้นตื้ออย่างกันขายอย่างกันอยู่อย่างกันกินที่อยู่ที่กินของตนเองต้องซื้อ สิ้นปีต้องมาเสียค่าภาษีค่าไรค่านาค่าเรื่องค่าชาติอะไรต่างๆเืยว่าซื้ออยู่ซื้อกินยั่งซื้อยั่งขายเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าขาดคุณทําและโลกจะกลายเป็นมิขสันยีเอารัดเอาเปรียบกันความทุกข์จะมากขึ้นในสมัยโบราณมีความสุขใจแต่ไร้ความสุขทางกายสามัยนี้มีตู้เย็นอยากกินน้าแข็งอยากกินน้าร้อนไม่ต้องกอ่อไฟเพียงแต่เสียบปลั๊ก เพียงแต่พุชปัตตันเท่านั้นแก๊กเส ร, เรียบร้อยมีน้ําแข็งตู้เย็นแต่จิตใจเร่าร้อนเหมือตนตกนรกในห้องแอร์มีไฟฟ้าสว่างสวายจิตใจเมือ่อหมอน่นไม่รู้เจะบา บ, บุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญให้เกิดให้มีในชีวิตในสังคมไม่รู้ไม่สนใจบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่สนใจวัดวาศาสนาก็ให้ได้อยู่ไปวันวั น, วนไหนที่สุด มันเกิดปัญหากันมากและจะทำยังไงต้องกลับมาพัฒนาทางด้านจิตใจเมืองไทยเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครอยู่แล้วมันน่าจะพัฒนาได้มากเป็นมหาเศรษฐีทางด้านเศรษฐกิจก็ได้ประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามสองพันสี่ร้อแปดิบปดจนกรอบยอบแยบแทบจะกินคกือต้องไปใช้หนี้ปฏิกร์สงครามกันทั่วโลกแต่ทาไมเขากลับเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจขนาดอเมริกาอย่างแย่เย พ่อเขามีคุณธรรมเขาพัฒนาแผ่นดินเขาให้เป็นแผ่นดินธรรมแล้วเขาก็เลยกลายเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมคืออะไรญี่ปุ่นมีคุณธรรมที่เราทิศธรรมิกกระทำประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันที่จะต้องเห็นได้เนี่ยดรไดเซสทาเทโรสุซุกิเป็นดรในทางพุทธศาสนาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาแกบอกว่าญี่ปุ่นที่เอาพุทธศาสนาออกไปแล้วญี่ปุ่นจะไม่เป็นญี่ปุ่นที่เข้มแข็งจะเป็นญี่ปุ่นที่อ่อนแอและจะไม่เป็นญี่ปุ่นที่อ่อนน้อมจอบจะเป็นญี่ปุ่นที่แข็งกระด้าง แล้วก็จะไม่รารวยอย่างนี้ญี่ปุ่นมีศาสร์ศานาพุทธในจิตใจในชีวิตประจําวันไม่ใช่อยู่ในวัดไม่ใช่อยู่ในพิธีรีตองเขามีทิฏฐามิกะทะมีอุทานะมีความขายันมีอาภะกะมีความไม่ฟุ่งเฟือยและก็มีสมาชีวิตาการประหยัดแล้วเขาก็มีกรลยาณมิตรตตาไม่แสบคบกับเรื่องความชิบหายอบายมุกอย่างพวกเราพวกเรานี้ ก็ยังตอบแล้วเหมือนภาคอีสานไม่เจริญทันภาคอื่นเพราะไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนประิเศไทยเรานั้นไม่เคยมีแผ่นดินไว้ไม่เคยมีภูเขาไฟระเบิดไม่เคยแพ้สงครามไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครก็เลยมัวประมาทโอเออืดอาจยืดญาตในที่สุดก็เลยไม่ทันเขามัวประมาทเหมือนกระต่ายที่ฝีตีนดีแล้วก็นอนคุยกับเต่าว่ามึงจะไปแค่ไหนกูจะนอนหลับซะก่อนไปก็ทันมึงเอาไปเอามาสู้เต่าไม่ได้วิ่งจนอกแตกตายเดี๋ยวนี้วิ่งกันวิ่งวิ่งวิ่ง รัฐบาลพยายามวิ่งทุกยุค ท, ทุกชั่วไมเพื่อจะพัฒนาประเทศให้ทันเกาหลีให้ทันญี่ปุน่นแล้วก็มาคุยว่าเป็นนิกเป็นเน็กก็ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นนิกนิกก็มาจะกคำว่า uh, newly industry country ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อาจจะมาคิดว่าเอาให้มันเป็นแค่นเน็กก็ได้เรียกว่า newly agricultural country ประเทศกเกษตรกรรมใหม่ก็แล้วกัน ให้มันผลิตผลต่างๆเกษตรพนาอีสานให้มันเขียวขึ้นมาจริงๆด้วยการพัฒนาจิตใจเดีนี้อีสานจะเขียวมันเขียวไม่ได้เพราะมันไม่พัฒนาคนเจ้าหน้าที่ไปพัฒนาก็ไปแต่ชื่อเท่านั้นเองถ้ามันโก้เท่านั้นพอนิมนต์อาตมาไปพูดเรื่องอีสานเขียวให้แต่ชาวบ้านมาฟังเจ้าหน้าที่ไปนั่งกินเหล้าอยู่ข้างนอกนี่มันจะพัฒนาอย่างไงมีเงินอีกแปดแสนล้านมาพัฒนามันก็จิบหายประเทศอินเดียเขาพัฒนาเอาน้ำจับแม่น้ำคงคาจากเมือง อ่าฮาริทาวาระาสัพพายออกมาสู่แผ่นดินอินเดียได้แม่น้ํำคงคาเน้น้อยไม่โตเท่ากับแม่น้ํำคงของเราแล้วแม่น้ําคงของเรากับอีสานนี่สัพพายเท่าไหร่มันก็ไม่หมดถ้าจะทำกันจริงเอาละเลยเออกมาทั้งอีสานเขียวไปเลยทีนี้แผ่นดินทําเป็นดินทองที่กํบบาลังแก้ผู้ก็คือการพัฒนาทางวัตถุและจิตใจให้มันพร้อมกันเดี๋ยวนี้วัตถุได้ล้าหน้าจิตใจไปคําว่าแผ่นดินทําคืออะไร แผ่นดินทํำแผ่นดินทองนี่คืออะไรทำไมยิ่งต้องมาทําแผ่นดินทำแผ่นดินทองและจะทําแผ่นดินทําแผ่นดินทองนี้เพื่ออะไรและจะทําโดยวิธีใดตั้งคําถามให้ชัดเจนลงไปว่าอะไรทําไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดแผ่นดินทําแผ่นดินทองคืออะไรแผ่นดินทําแผ่นดินทองคือแผ่นดินที่เจริญทางวัตถุและจิตใจคํานั้นหมายถึงศิลธรรมจริยธรรมส่วนทองนั้นหมายถึงวัตถุเทคโนโลยีและพวกเมทเลเลียนอะไรต่างๆพวกนี้ส่วน แผ่นดินทําเป็นดินทองนี่ทําไมจึงต้องมาทำแผ่นดินทําเป็นดินทองให้มันมีโครงการนี้ขึ้นมาทมําไหมก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพียงแต่กายมีความสุขถ้าหากจิตใจยังมีความทุกข์มันจะตกนรกไหนห้องแอร์เบียดเบียนเอารัดเอาเปียรกกดขี่ก้มเหงกเขนฆ่าฆ่ากมคืนก้คมคืนแล้วฆ่าอะไรขึ้นมาโลกไม่เชื่อฟังพอแม่รู้สึกไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบียนไหนกดหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์เพราะทุกคนไม่มีคุณธรรมจิตใจมันไม่มีคุณธรรมจึงจําเป็นจะต้องพัฒนา คุณจะทำให้เกิดมีในจิตใจคำถามด้วยว่าทำมาจริงต้องมาทำแผ่นดินทำไปดินทองให้เกิดขึ้นมันก็มีคำตอบอย่างนี้เราจะทำเพื่ออะไรเพื่อความสงบสุขของสังคมและความสงบของแต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวในเมื่อแต่ละครอบครัวแต่ละชีวิตสงบขึ้นสังคมก็สงบด้วยเพื่อความพาสุกทุกดวงใจณนะแผ่นดินณนะพื้นแผ่นดินไทยแผ่นดินทองอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำโดยวิธีใดนี่สำคัญ ว่าจะทําโดยวิธีใดเราต้องมาทําความเข้าใจว่าเราจะนาสังคมของเราไปสว่แผ่นดินทําแผ่นดินทองกันโดยวิธีใดอาจารมาอยากจะพูดว่าเลิกพูดได้แล้วนิกนิกนิกนั่นควรจะให้เป็นประเทศแผ่นดินทําแผ่นดินทองเลิกพูดได้ว่าอินนิวรีอินดัสเทรียลคันทรีควรจะต้องเป็นนิวรีนอร์เบิร์นไมค์คันทรีควรจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ใช้คําว่าอย่างนี้จะดีไหม อาตมาอกจะใช้คำอย่างนี้คือประเทศที่มีจิตใจสูงใหม่แต่ก่อนมันมันเคยมีแล้วมันก็หายไปที่มาพัฒนาให้มันสูงขึ้นมาใหม่เอาอย่างนี้ดี๋ยวกว่าเราจะทําให้บ้านเราเมืองเราเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองขึ้นมาได้โดยวิธีใดนี่เป็นสิ่งที่จะต้องพูด ก, กันคนโบราณท่านไม่เคยหลงทางถึงขนาดทุกวันนี้ ทุกวันนี้มีความเจริญทางสติปัญญาจบปริญญากันยาวมาเป็นหางเฟื้อยเลยแม้กระทั่งด็อกเตอร์แล้วก็ปืนมันยิงหัวตนเองตายนี่มันอะไรเรียกว่าหลงทางมีไฟที่สว่างแต่มันก็ฝั่งไฟเมื่อเราขับรถสวนกันถูกไฟของรถคันอื่นสองหน้าและมันมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันโตยะถาโชติัเทยะเยียบไปแม้ไฟที่สองทางถ้าขาดสติปัญญาแล้ว เดี๋ยวนี้เรากําลังเหยียบไฟที่สองทางสาว่างทางจิตใจทางปัญญามากจบป ร, ริญญากันเป็นแถวแต่มันมีปัญหามันแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาตนเองกันไม่ได้อย่างคนโบราณมาอาจจัศจรรย์เกยแขหางเงย่ายสังบุดได้ห้องนั่งบัตรกระตายหางก่อมแขมสังมาได้นั่งห้องคนโบราณไม่จบป ร, ริญญาแต่บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุกเดี๋ยวนี้จบป ร, ริญญาเป็นโรคประสาทเ ย, ยอะผู้ก่อตายเยอะว่างงานเยอะขาตัวตายเยอะอะไรต่างๆพวกเนี้เพราะฉะนั้นเพราะอะไร เพราะเราหลงทางหลมทางคืออุดมคติของสังคมสังคมจะต้องมีอุดมคติคือเป้าหมายอันสูงสุดของสังคมจะต้องไปตรงนั้นอุดมคติสูงสุดของสังคมชาวพุทธนั้นก็คือแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแต่เดี๋ยวนี้เราเรียกคำใหม่เท่านั้นเองแต่เก่าเขาเรียกว่าแผ่นดินโลกภสิีอาน อ้าวทําไมจริงเก่าวอย่างนั้นท่านต่างหลายอาจจะไม่เชื่อคนโบราณท่านตอกย้ากันทุกปีเรื่องแผ่นดินทําเป็นดินดองคือความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจให้มันสมดุลกันอย่างเรื่องเอาบุญพเวสสันดรแต่ละปีนั้นคนโบราณตอกย้ําสังคมโลกภาษีอ่านโลกภาษีอ่านคือโลกที่เจริญบอกแผ่นดินเรียบเป็นหน้ากลองแม่น้ําเต็มเปลี่ยมฝั่งนกกาไม่ต้องกลมลงกินให้ปวดคอ แล้วน้ําไหลขึ้นไหลลองข้างเดียวเพราะเป็นดินมันเรียบมันไหลไปไหลมาเฉยๆใครอยากจะไปทางเหนือทางใต้เพียงแต่คัดเรือเข้าลันเวล์มันก็ไหลไปเองพร้อมกันนั้นยังไม่มีนายทุนไม่มีกรรมมาก่อไม่เรียกร้องสไตค่ดแรงไม่ต้องหยุดรถไฟไม่ต้องอะไรต่ออะไรกันทั้งนั้นมีแต่ความสงบพร่มเย็นมีต้นไม้การประพฤกเกิดขึ้นสีมุมเมืองใครอยากจะได้อะไรอธิฐานจะออกดอกมาเองพร้อมกันนั้น แผ่นดินนั้นยังไม่มีศัตรูคู่แวงกากับนกเขางูเกับพังพรเืิอกับเลื่อมมา ก, กับแมวหยอกกันเล่นเป็นเสียวกันสบายสบายนี่คือความเจริญทางวัตถุและจิตใจเขาเรียกนี้ว่าโรคพระสีอันจะให้เกิดทันโรคภระสีอันต้องฟังทมพระเวททันดอนให้ครบสิบสามกันมีศีลห้าให้บริสุทธิ์ สีไปบอความสวยงามอารยะไปว่กความรุ่งเริงจำเริญเมตตายะไปบอกมิตรภาพและเมตตาธรรมสีอารยะเมตตาใจไปบอกความสวยงามรุ่งเริงจำเริญด้วยอํานาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมจะให้มิตรภาพเกิดมาต้องมีศีลห้าไว้ใจกันได้ให้อภัยกันได้ไม่มีใครรักกันแน่พูดแล้วไม่มีการโกหกกันแน่และไม่มีใครร่วงเกินสิ่งที่ตนเองรักไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียซึ่งกันและกันไว้ใจกันได้เข่าตามต่อออกตามปาตู่ แล้วไม่มีใครเบียดเบียนเค้นฆากันไม่มีใครเมาเหล้าเมาเฮโรอีนกัญชาทินเนอร์ยาฟินไม่มีใครทําลายสติปัญญาตนเองให้เป็นบ้ามิตรคนดีเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้มันก็เป็นมิตรภาพเกิดมาสวยงามด้วยมิตรภาพแล้วฟังพระเวสสันดอนมีแต่เรื่องเมตตาบาลีหัตถยังถ้ายังจะคุ้มมังซังปิวทิรังปีจะาทไทยังตายยั ง, ยงสังเวตาวายยัฮิโกจะจะเยมาเมือง พระเวสสันดรพูดอยู่ในกันหิมะผ่านว่าผู้ใดจะมาขอดวงตาขอหัวใจเราได้ยินเราจักให้ขอตัวเราไปเป็นคนใช้เป็นทาสเราก็าจักไปนี่คือความเมตตาถึงที่สุดเราฝังพระเวสสันดรให้ครบจิตสามกันแล้วก็เอามาไว้ในจิตในใจเราสักห้าเปอร์เซนตสิบเปอร์เซนตมันก็จะมีเมตตาปานี้ต่อกันต้นไม้แต่ละประพฤกต์ก็เกิดขึ้นคือต้นเมตตาต้นปานี้บ้านหนึ่งมีหนึ่งพันครอบครัวบ้านหนึ่งมีคนหนึ่งพันคนต้นไม้แต่ละประพฤกต์เกิดขึ้นมาหนึ่งพันต้น อยากได้ใครไม่มีขาดแขลนเอาของผมไปก่อนจ้องที่จะช่วยเหลือเจือจุนกันสุดปลายนี่คือแผ่นดินทําและแผ่นดินทองของคนโบราณเขาวังอะไรนั่นแต่ที่นี่มันไม่เป็นอย่างนั่นประเทศพวกคอมมิวนิสต์อย่างคานมากก็ดีเขาก็เขียนทฤษฎีขึ้นมาเพื่อแผ่นดินทําแผ่นดินทองแต่คนคนแรกพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดเรื่องโลกภสีอ่านขึ้นมาในในในจักรวตรดิสูตรทีขณิกายมหาวัคคเล่มที่สิบนั่นท่านก็พูดเรื่องนี้ ต่อมาก็มีโทมัสมอร์มาฝันเฟื่องต่อไปในโทมัสมอร์มาเขียนเรื่องยูโทเปียนโซเซียริสว่าสังคมยูโทเปียผู้หญิงคนใดที่แกกว่าเราเป็นผี่สาวเราเป็นแม่เราผู้หญิงเดินไ่อ่อนกว่าเราเป็นน้องสาวเราผู้ชายคนใดแกกว่าเราเป็นผี่ชายเราเป็นพ่อเราเป็นลุงเราผู้ชายคนใดที่อ่อนกว่าเราเป็นน้องชายเราออกจากบ้านนี้ไปบ้านไหนทํางานบ้านนั้นกินข้าวบ้านนั้นทุกคนเป็นผี่เป็นน้องกันหมดสังคมยูโทเปียดีงามมากในที่สุดมันทําไม่ได้คนมันมีกีเลศ นั่นไม่ยอมรับคนที่จะเอาเปรียบกันมีนายคานมาก็เลยมัดปรับปุงเอชทิสดีนี่ขึ้นมาสะเอามาเป็นทิสติีคอมมิวนิสต์คือลัทธิคอมมูนต้องมาเป็นอย่างเดียวกันคนหมั่งมีก็ต้องเอามาเลี่ยให้คนยากจนไม่ต้องมีนายทุนไม่ต้องมีกรรมกรในที่สุดก็บังคับกันตีรว่ วาดให้มันเพียงมันก็มีการต่อสู้กับโลกก็เลยวุ่นวายตึงตังกันทั้งตาบดีมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนกฎธรรมชาติแต่มันขาดเป็นธรรได้ให้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้เมื่อหาเนื้อกันยังบอกคือกันใหม่ไงหน่อยในป่าพนาสนบ่อนลาวีกันดาท่อหาเรื่องมีทั้งต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่ใหม่งน่อยเดระดาเป็นทันร่วมกับเป็นดงสูงโมกัยุ่งอย่างเสี่ยงมีทั้งเกลือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทางลมมีพรมใหม่ทัางพื้นจอจี ไม่มูนี่มันจะห่างไกลกันความสัมพันธ์มันมีอยู่นํากันได้สมุยญุงย่างไหม่ใบหน้ากับเป็นหอมซุ้มโมฝงโมหน่อยแต่ปอกคุ้มต้นใหญ่ให้สุ่มเย็นมันอยู่ด้วยกันได้เหม้นติต้นใหญ่และต้นน้อยมันอยู่ด้วยกันได้สมุญญุงย่างไหม่ใบหน้าได้เป็นหอมให้แกสุ้มโมหน่อยทั้งเื่ในสุ่มเย็นพวกโมหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุ้มให้สุ่มเย็นทั้งเงา ให้แกลูกโคเถ่ามาหันโตต้ตนใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สาบายบางดังกันทั้งคนคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันมันเสือรวยหรือจนก็นอยู่น้ากันได้คือยังยุ่งง่ายใหม่ในภายเป็นตัวอย่างอาศัยธถ้ำพระเจ้าสมานเขา ว, วางกลางมันจะทุกอยากให้ห้องเหม็นนําคนมันเสือรวยหรือจนกระเพิงผ้ากันได้คือจังเงื่อนข้าแกง่งเกียนเห็นให้เกียนแก่ง่ามมาไปหอด น, น้ำเงื่อนเสีได้แก่เกียรติความอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยคุณธรรมทั้งคนรวยและขนจน มีธรรมะสร้างแผ่นดินทำขึ้นมาคนรวยเป็นเศรษฐีใจบุญตายจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดเพราะมีทับคนจนเป็นสตบุรุษรู้จักเหตุจตกผลตายจากคนจนผู้บูชาอบายามุ่งอยากแต่ถูกเล็กถูกไวเล่นการพันนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิจกินเหล้ากินยาอย่างนี้ดูว่าแผ่นดินทำคนรวยเป็นเศรษฐีใจบุญไม่เป็นนายทุนหน้าเลือดคนจนเป็นสตบุรุษอ่อนน้อมถ่อมตนขายยันหมันพีนไม่เป็นคน บูชาอบายามกอย่างทุกวันนี้ทําบ้านขึ้นหลังคา ม, มงสันติสีครึ่งหนึ่งหญ้าครึ่งหนึ่งแอมข้างสองสามข้างยังไม่เสร็จไปยืมเงินกเกษตรมาซื้อโทรทัศน์มาเล่นมวยตู้เล่นการพันนั้นอย่างนี้มันก็แย่มันไม่มีคุณธรรมนับวันที่จะจนกรอบจอบแย่แทบจะกินเกลือเราจะให้ศีลธรรมตับขึ้นมานี่เราจะต้องมองดูคนโบราณของเราเขาก็มุ่งไปด้วยกันอย่างนี้เรื่องพระเวสสันดร น, นั้น ภาษีอริยะเมตตาเทวบุตรได้พูดกับพระมาลัยว่ า, าศาสนาของภาษีอนันต์มิถึงแต่สุขี บ, าาบ๊ อ, บองมิศาสนาใดเปียกฝนปานใดอันฝนตกหกไหลลงเปียกซุ่มสิบหาเมือ่อฝนเท่งแหลงล่มนี่หมายเขาว่าสิบห้าวันฝนตกนั้นหมายถึงสิบห้าวันจะต้องไปจําสินให้จิตใจเยือกเย็นเหมือนน้าฝนอันเมตตาปานนี้จะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟาก ฟ, ฟ้าสุลาลายสุดแบกิน เมื่อฝนตกหนั่นกระตกแต่กลางคืนบอลตกกลางเวน่นเปียกคำห้ำหวยหนะพฤกซาเสียวเคียวงามอ่อนๆไข่กับอาหอมกลุ่มขู่ย่ำหมายเขาบ้านในเวลากลางคืนฝนตกนั้นแผ่นดินโลกภัสีอ่านจะเต็ไมไปด้วยกลิ่นไม้ตลบ อ, อ, อบอวลของดอกไม้มะนหอมเพราฝนตกสิ้าวันแต่ตกกลางคืนหมายถึงจิตใจเราจะต้องจําสิ้นกัน สิ้าวันมีศีลในจิตในใจอบอุ่นเยือกเย็นพร้อมกันนั้นในเวลากลางคืนนั่งสมาธิให้จิตใจสงบละมับพิจารณาเพื่อรวมทุกข์เกอแก่เจ็บตายด้วยกันนั้นเป็นเพื่อนกันไม่ควรโกรธไม่ควรเกลียดไม่ควรเกลียดควรชังควรเมตตาปานี้ต่อกันนี้เรียกว่าฝนตกกลางคืนบ้านายอยู่ไก่บ่อไก่พ่อไก่บินถึงโม่ข้อยฟุงอยู่กินย่ยะ ห, หากินหนามในน้องเบิงบวกสางและหมาสิกินหยาห่วมกัน มีโจโรหายลักลอบเอาของงวห้วยป้าปล่อยไล่มีเลี่ยงอุทธังหน่ำในน้องบึงบวกเต้มอยู่เลยเสมอดามฝั่งคู่ไม่มีขจรขโมอยน้ําเต็มเปลี่ยมฝั่งของหมายถึงน้ําใจที่เต้มเปลี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ไร้ขึ้นข้างหนึ่งไร้ลงข้างหนึ่งได้เท่านี้พอใจเท่านี้ดีมาและสปายอีควนพอดีกันได้เท่านี้พอใจเท่านี้ไม่โลคมากจนเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับจนเป็นโรคกลับเพราะนี่คือโรคภาษีอ่านโรคความเจริญทางด้านจิตใจเทนี้ มันก็มีอีกว่าอันว่าคนแกเถ่าขี่ัญาศโลก้า飒ตันาของปสีอ่านศีบอมมี่พอดีมีแต่สาวสาวจ่อยสวยงามปานเสียนเพื่จังรวัแต่ฝ่าสวรรค์แต้ง แ, แต่มลงคนเท่าคนแก่ที่ใจก็หนุ่มเน่นอยู่ด้วยสินด้วยธรรมไม่ใช่เท่าแก่ตันหากับเขาเปิดมอสล้ําขึ้นมาเปิดผาตั้งแย่งสว่างในตาจังว่าหัวแท่งงาจังแต่งงางกระโ น, นอ์ไอักโยงคงบังดีใจหาว่าผู้สาวสาน้อยลําเกี่ยวไม่มีผู้เท่ามีแต่ผู้โอ้ โอ้เอาไว้เคยเห็นข่าวยังเบาวเดชบริจากตายเดชได้ยินสาวสำน้อยออกมาลำเปิดผ้าตั้งเป็นเทิ้วบจะวาออ่าปกขาขาวสาวลำเพลินขึ้นมาแล้วก็ขวักเขี่ยขวักเคียวคูแก้วทาาบอย่างนี้ไหมนีในโลกวิสัยมงแต่พู้เท่ารู้จักสินจะทําเข้าวัดฟังทำจําจสินเอาลูกเอาลานเหล่านี้ทานชาดกให้หลูกฟังเป็นตัวอย่างอันวราชาเจ้าปกค้องเพื่อลาดบอลอํา น, นาจกาคอมเพ่งขาโมข้นมิจะปกปักกองทศระตข้องเมืองถือสินทำเทียงจริงจํามัน เดมีปิดบังบังชอโกงกินกำกับข้อรับฉันเมืองนั่นสิบอมนี่ข้าราชการไม่มีคอร์รัปชันมีแต่เสลธรรมในจิตในใจเดี๋ยวนี้จะเซ็นแก๊กเรียวโอ้ชื่อของคนผิดแล้ว ผิดนามตะกูลผิกส ก, กุการล้ำเข้ากันไม่ได้จะทํามีวีซ่าจะทำพาสปอร์ตไปต่างประเทศเอามาแปดร้อยบาทเขียนตัวเดียวแก่เดียวต้องส่งไปกาส้วงหนักหนเข้าจะฟากันเป็นพันเอาเงินนั้นไปส่งข้าวงวดรถเรือเอาไปซื้อเหล้ากินอย่างนี่ข้าราชการกลายเป็นข้าราชกโกงเอารัฐเอาเปรียบเพาะไม่มีคุณธรรมโลกพิจารณาเป็นอย่างนั้นมันมีอันว่าตากับนกเขาเคยบุษบุกแกวกันนุ ก, กับแมวคูเว้นมีเว่นจอร์นฟอนหน่อยกับหงูบังเบียดเสื้อเลนเนื้อศัตรูเขาเก่าหลัง แต่าบ้ามีทิศของตอนไร่กุมกันเขาชิมีปานี้ต่อกันขี่คอยศัตรูดั่งเดิมมากแป่เปลี่ยนสมสูก่กวนนอนกิ่งกอมสังไหสูเสือของจิตใจไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเอนเอมี่ไม่มีศัตรูบิดเพื่อนกันทั้งนั้นโง่เห่ากับพังพรกาตํานกเขาเป็นเสี่ยวกันสบายสบา ย, บายนี่เป็นความเปรียบเทียบอันมาค้นในพืนหลอกลุมชาวส้มพู้น่าสว น, นป้าปล่อยว่างไรถิ่นบ่มีการขายข้าหาทุนหมุนเปลียนบอเกี่ยวของสบายเหนือสูขน้นพวดาไอา้อสายต้นการประพฤกเทว่า ทั้งผู้สาเป็นแพรพันธุถาเงินค้าแกวพ่อหนิน่นำคาพิชโพธิ์ผอมหลายล้วนเกิดนั่นี่ต้นไม้กระบะรับพฤกหมายถึงจิตใจไมายถึงโลกที่จะเิญทางวัตถุคอยจ้องที่จะช่วยเหลือเจอจุนกันมีร้อยพันคนในบ้านก็มีต้นกนระเบะื้พฤกษ์หน่งพันต้นในหัวใจต้นรักต้นแพงต้นเมตตาต้นตานียต้นไม่ตีต้นเสียวเทยเคยหักในเจ็บในใจหักกันแทรกัน นิเสเรว่าความเจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจนั่นแหละแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคนโบราณเรียกว่าโลกภาษีอานสีไปว่าความสวยงามอารยะไปว่าความทร่ำรวยเจริญมิตรมิตรเมตตายาตไปว่ามิตรภาพและเมตาตาธรรมลองสร้างให้มันเกิดมันมีขึ้นในจิตในใจของเรานี้คือโลกภาษีอานเดี๋ยวนี้เอาบุญพเวศกันฆ่าวายไปสิบตัวแล้วก็จ้างหนังมาอีก จอหนึ่งสี่พันจา้างง้อลำโบมาอีกแปดพันคนหนุ่มจะอยู่หนังผู้เท่าจะฟังเทศผู้โอจะฟังลําเดี๋ยวนี้มันต้องแบ่งกันอย่างนี้ผู้เท่าผู้เท่าคือคนที่ผ่านโลกมานานรู้จักบาปบุญคุณโทษ ร, รู้จักวันพระเข้าวัดฟังธรรมจำศิลป์วันธรรมดาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหล่านิทานชาดกบาปบุญคุณโทษให้หลกให้หลานฟังกลมเกวิญนาณโลกหลานล แล้วก็พาลูกพาล้านเขาวัดเขาว่าเป็นห้วหน้าในการทําคุณงามความดีอย่างนี้จะกว่าผู้เท่าต่อมาเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีผู้เท่ามีแต่ผู้โอแล้วก็ผู้โพผู้พาผู้ตาติดในผู้ใจติดหมอขันผู้อ๋อละนาะบันไดเราไปก่อนมูโรดเด็กน้อยเขายังไม่ทันซ้ําหมอลําเขาจะลำสามทุ่มผู้เท่าเอาคำหมาก เขาก็ตามมาห้อยแขนซ้ออุ้มซาจุงล้านน้อยไปก่อนนั่นแตยังไม่ําไปใส่ละไม่ไงผ่าล้านน้อยไปเบิงหมอลําเอาเด็กน้อยมาแลกหน้าล้านน้อยยังไม่ได้เบึงดอกมันนอนหลับไม่ไงก็ไปเบิงต่อไปพอเขาลํามาเกาะดีใจร้องเขาร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยเวลาเขาทําให้หัวเราะ อ, ออกหัวเลาะด้วยไหลน้ำหมากแตกข้างหน้าเสื้อแดงใจวายถูกใจนั่นหลอนน้ำหมากไปไงพวกนี้เรียกว่าผู้โอ ส่วนเท่าผู้ชายก็โอ้ตรงไหนแ ล, ล้วก็ไปเปิดผาด่างแจงสว่างเมตตาหัวเท้มหน้าจนงแต่งหน้า น, นอไอศตโยง โ, โค้งปังปี้ผาว่าเขาลำไสลูกไผ่เงียบปูปผัดบานี่เรียกว่าผู้โอผู้โพผู้ผาพ า, าลูกพาหลานออกนอกหลู่นอกทางในสิ่งที่จะเป็นสิ้นเป็นธรรมไม่รู้จักลักษณะเช่นนี้เรียกว่าผู้โพผู้ผาคนโบราณเขาฉลาดผู้เท่าจะสอนธรรมะอย่างสมมุติว่าคนตาย เขาเอาข้าวตอกหวานไปเข้าตอกแตกหวานน้ำหน้าลูกหลานถามมาวานให้ยังคอยในพ่อใหญ่จะบอกว่าโอ้ยลูกเอ้หลานเอ้ฝนตกมาหอยเถอะพันเถอเข้าตอกแตกเนี่ยมันตายแล้วขวาม่ายแล้วเห็นจะงี้กับโบเกิดโบคือเขาเปือกธรรมดาคือการกับผู้ที่ตายแล้วตายตายแล้วตายไปบบเห็นไงซึ่งไฟหมอกแล้วควนนั่นหากโบเห็นเจ้าอย่ามัวเมาหาน้าคนตายผู้ตกปลาหายน้ำหมอะกับเบื้องยิ่งสิได้อุ่นแกงหาเรื่องทําเป็นปริศนาสอนลูกสอนหลานให้มีแนวคิด แต่ผู้โพ้ผัวผ้าโพออกนอกทางมันงัวโพไวายโพพาเกียนแลนด์พาไถแลนดถามวันที่ยังเลยพอไงหัวไหวันให้ภีกินระบายมันหอมนักบอยตัวลูกตัวหลานออกนอกทางลักษณะเช่นนี้แหละคนโบราณ น, นั้นท่านเอาบุญพระเวสสันดร น, นั่นท่านทำถูกเดี๋ยวนี้อาจจะเอาบุญทีผู้เท่าจะฟังเทศอาจารย์สุภพผู้นุ่มจะดูหนังแอ่์ผู้โอจูเบงหมอลํา ในที่สุดบุญบ้านเดียวต้องจ้างทั้งหมอลำจ้างทั้งหนังหนัง4 0 0พันหมอลำา8 0 0ัฟาดเข้าไป 12,000 สองเท่นี้อีกพวกผีพวกมังก็จะกินเล่าค่าควายซอยแส่โซกเล็กบุญพระเวททีบุญกันถิงทีข่าวควาย1ิบตัว10ตัวตั ว, ตวละ 3,500 าฟาดไปแล้ว3 5 0ห0เสร็จแล้วก็จ้างหมอลำอีก แปดพันหนังอีกสี่พันเป็นหมื่นสองเป็นสี่หมืนสองหมดเล่าไปอีกสิบเทยี่สิบเทฟ้าก็ไปห้าหกมื่นกว่าบาททําลายเศรษฐกิจกของสังคมแล้วบอกว่าเอาบุญภเวทเอาอีกจนตายอีกห้าหมื่นข้างตายอีกห้าหมื่นชาติก็ไม่เห็นหน้าภาษีอา่านเพราะมันไม่ได้ใกล้เข้าไปพระเวทสันดอนไม่มีความเมต ต, ตาปาณีบุญทีฆ่าควายสุด ต, ตัวอันนั้นมันบุญชูโชคกินชิบหาย ว, วายบอดกินงวกินควายยังไม่พอชูโชคสมัยใหม่ชูโชคจุกอวกาศ กินหมดเครื่องโรงเครื่องราชกินบ้านกินเมืองกินถนนกินรถยนต์กินกาตัวงกินถนนก่อซ้อชอกินอ๋เมืองกินฝายสารพัดมึงชูทกสมัยนี้กินได้มากกว่านั้นยิ่งอาบุญทระเวก็ยิ่งจะมีการเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นอาบุญทีเสียเงินไปห้าหมื่นหกหมื่นเงินจํานวนนั้นถ้าเอามารวมกันเป็นกองทุนของหมู่บ้านจะเป็นสถาบันการเงินที่แข็งแ่งที่สุดนายทุนหน้าเรือดเอาเปรียบไม่ได้ถ้าอาบุญทีหมวเงินห้าหกหมื่นค่าหนังค่ามอล้ำค่า ซื้อควายมากินแล้วก็มาตีกองกินเหล้าเติมทุกเติมทุกเติมทุกรอบหมู่บ้านตายอีกแปดหมื่ชาก็ไม่เห็นโลกประษีอ่านแล้วก็ไม่มีแผ่นดินทําแผ่นดินทองเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเอาใหม่บ้านเราจึงจะไม่จากใหม่จนเอาบุญทีถ้าเก็บเงินได้ห้าหกหมื่นนั่นเอามาสร้างเป็นกองทุนสหกรณ์ของหมู่บ้านหรือจะเอามาทําสาธารณนะประโยชน์เดียวนี้มันไม่มีมันหมดไปที่เนื้อควายหมดไปที่เหล้าหมดไปที่หนังหมดไปที่ละครดังกล่าวแล้ว แล้วให้อาจารย์ตรงพบประเทศในฟังจะได้เรื่องอะไรก็ไปหาบัรดากันอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใหม่เอาบุญกันอย่างนี้ถ้าจะเอากันจริงๆมันต้องทําให้มันเกิดประโยชน์ยนี้ใหม่มีงานมันก็มีนังมันก็มีละครมีนังเล่เข้าไปในหมู่บ้านมีเงินให้ลูกให้หลานไหมละผู้ใหญ่10ิบาทเด็ก5้าบาทไม่ค่อยในอีพอ่อคอยในอีแม่มีเงินบอ่อแหลเจา้าเพราะฉะนั้นแผ่นดินทําแผ่นดินทองนี่ต้องเริ่มต้นที่ผู้หลักผู้ใหญ เป็นทั้งผู้หลักเป็นทั้งผู้ใหญ่ฝังลักมันให้ล่มติีหอยหาถอดเสนอแง่น่าเบิ่งล้มอยากจะไปหาวอาเอ้ยเอานังมาเด็กหน่อยอยากเบิ่งเอามอลามาผู้เท้าอยากเบิ่งเรานี่เป็นทั้งผู้หลักเป็นทั้งผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เฉยๆวิเช่นั้นจะเป็นไม้หลักปักเลนลูกเอ้ยหลานเอ้ยไม่มีบุญมันก็มีอยู่แล้วหนังเอ้ยละครเอ้ยในโทรพัน์ก็มีนังเล่ก็มีนังอะไรก็โอยสารพัฒ ลูกเอ๋ยเอาเงินมาทําประโยชน์เราเถอดอย่างนี้อีสานของเราก็จะเจริญขึ้นเขียวขจีด้วยสินด้วยธรรมด้วยต้นไม้เพราะเราพูดกันรู้เรื่องเดี๋ยวนี้มันจะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีธรรมภูญะบ้านพูดกับลูกบ้านไม่รู้เรื่องพ่อกับแม่พูดกันไม่รู้เรื่องขี่กับ น, น, อน้องคานตามหลังกันมาพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีสิลนมีธรรมด้วยแความเห็นแก่ตัวเมื่อมันเป็นเช่นนี้ต้องเริ่มต้นที่พ่อที่แม่พ่อแม่เป็นตัวอย่าง ผู้หลักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต้องมองเป้าหมายอันชัดเจนประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดอย่าตามหลังเด็กอย่าให้เด็กไปก่อนเราหัวดอนนำหลังเราต้องเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่มุยมวยของสังคมเป่าทำความดีนะผู้เท่าต้องนำถ้าเริ่มที่ผู้หลักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการทุกหมู่เราพระสงฆ์องค์เจ้าทุกมีกายครูบาอาจารย์ต้องเป็นแบบเป็นอย่าง ไม่ใช่ว่าเป็นแต่อาจารย์เฉยๆเดียวนี้ครูไม่มีมีแต่อาจารย์ครูไปว่าผู้พูดให้ฟังผู้ทําให้รู้ผู้อยู่ให้เห็นพวกขรุขรูผู้ทำงานหนักแก่สังคมเป็นปูชนียบุขค์ส่วนอาจารย์นั้นไปว่าผู้ฝึกมารยาทตกเย็นมาตั้งวงกินเหล้าอยู่ในโรงเรียนสดชื่นบานมื่นดอกไม้บานยามเช้าเลยดูเบึงมืดแล้วเียว่ายามเช้าดอกคั่วบานเย็นกระลึบกรึบตีกองตีพวกกระลำมังให้เด็กดูนั่นก็เรียกว่าอาจารย์ชี้เหล้ากินเหล้า เล่นให้โลอยู่ในโรงเรียนเล่นการพ น, นันครูบาอาจารย์เป็นคนเล่นอย่างนี้เขาเรียกว่าอาจารย์อาจารย์แปลว่าผู้ฝึกมารยาิฝึกการการะทำกินเหล้าให้เขาดูเล่นให้โลเล่นไพ่เห้าดูอย่างนี้เราจึงไม่มีครูเดี๋ยวนี้อาจารย์นั่นอาจารย์นี่หมดครูไปแล้วจะให้บ้านเมืองเป็นแผ่นดินทำเป็นดินทองมันต้องเริ่มต้นครูบาอาจารย์การนั้นผู้ ใ, ใหญ่บ้าน แล้วเขาจะการทุกหมู่เหล่าพาทรงองเจ้าทั้งธรรมยุทธและมหานิกายเลิกแ hey, ฮ hey, hey ่แห่แไปกันได้แล้วโคออปเปอรชั่นร่วมแรงร่วมใจร่วมว ม, มือการตัดตัดจุดดูดอย่างเด่นชัดบนพื้นฐานแห่งพุทธธรรมน้อมนําประชาชนให้เข้าสู่สินสอดทำอย่างถูกต้องถ้าอย่างนี้แผ่นดินทําแผ่นดินทองไม่เหลือวิสัยโลกพระสีอ่านไม่ต้องตายเน่าเข้าลงส้ามันเกิดให้มันมีขึ้นมาในจิตในใ จ, ใ น, ใ, น ใ, จในสังคมของเราอย่านี้ก็ดั่ มีทางศาสนาคริสต์เขามีคำสั่งสอนของพระเยชูสู่ที่ผูกกับศาสนิทีของพระองค์ว่า the kingdom of God is in our hands อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในมือของเราแล้วเราสามารถที่จะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าขึ้นมาได้อาตมาอยากจะพูดกับพี่น้องชาวปุตว่าอาณาจักรของพระศรีอ่านอยู่ในมือของเราศีไปบอกความสวยงามดังเล่าแล้วอารยะไปบอกความรุ่งเรืองจเจริญ เมตระยะไปว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมสีอริยะเมตไตรไปว่าความสวยงามรุ่งเรืองจเจริญด้วยอํานาจแห่งมิตภาพและเมตตาธรรมมีสินห้าให้บริสุทธิ์ด้วยกันในหมู่บ้านแผ่นดินโลกสัมิวาทบ้านนั้นราบเรียบเป็นหน้ากลองนอนไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดประตูลงก้อนก็ได้ผู้อะไรเชื่อกันได้มันก็เกิดโลกภสีอามีความเมตตาปาณีต่อกันอย่างชัดเจนอย่างนี้ คนโบราณจึงมีเป้าหมายเอาบุญพระเวสสันดรนั้นคือตอกย้ำอุดมการณ์แผ่นดินธรำแผ่นดินทองเมื่อเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เราอยากเข้าใจใหมายว่าเป็นเรื่องใหม่เรื่องแผ่นดินธรมแผ่นดินทองเราได้นําทั้งคมเราหลงทางมานานแลว้วเริ่มพัฒนากเน้นไปที่วัตถุจิตใจก็เลยเชื่อชาปล่อยวางความเอารัสเอาเปรียกกันมากขึ้นใจต่ํามากขึ้นสมควรที่จะกลับคืนสู่เส้นทางเดิมที่พ่อแม่เราพามาพ่อแม่ของเราบอกว่า ขั้นจะได้ขี้ส้างต่างหมเป็นพัญญายาเสื่อมชาวหน้าภูขีข้ค้ว่้นตากันจะไปทัางหนาเลี้ยวหลังของเก่าขั้นมาโหลดถูดเท่าเศร้า่อนยาสุไปแบ็คทูเบสิกแบ็คทูเบสิ c รีเทิร์นทูเบสิกกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมเถิดลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยฝรั่งก็ร้องเพียกเหมือนกันเดียวนี้ว่าแบ็คทูเบสิกเมืองฝรั่งเจริญเต็มที่เกิดโลกประสาทกันมากฆ่าตวตายมาก เสบยาเสพติดมากการศึกษาเลวร้ายลงขาดระเบียบขาดวินัยความรู้ก่ออ่อนไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์คนเท่าคนแก่ฝรั่งร้องเฮก back to basic return to basic ความหมายเดียวกันกับคำว่าขั้นมาโลลดถดเท้าโซ่ถอนยาสุไปใครขั้นจะไปทัางหนาเลี้ยวหลังของเก่าเดี๋ยวนี้ขี่ช่างกัง้งหมเป็นอัญญาหมายความว่าขี่รถขีา่าถนน ท, นทนทางจเจริญรุ่งเรืองมีไฟฟ้ามีอะไร แต่เสร็จแล้วเราก็ลืมเช้าหน้าผู้ขี่ควายขอนกาลลืมจิตใจอันสงบเยือกเย็นลืมสินลืมทำมีแต่แผ่นดินทองไม่มีทำเพราะฉะนั้นคนโบราณบอกว่าขั้นจะไปทั้งหนาให้เลี้ยวหลังของเก่าจะก้าวหน้าไปกับสังคมยุคพุทธประเตินเองยุคสมัยใหม่ควรจะเลียวหลังดูพ่อแม่เราบางท่านอยู่กันสงบร่มเย็นโอ้เรามีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วเพราะฉะนั้น ขั้นมาลูดถูเถ้าเศร้าถอนยาสุไ ป, ปลูกเอ๋ยจเจริญขนาดนี้แล้ววุ่นวายกันอย่างนี้กลับเถิดลูกเอ๋ยพัฒนาจิตใจใหม่ให้มันตามทันนีมีทองบามีท่ำเฝอจานมีมือหอยเตือมีค้ามบามีอินอ่อยอ้อยไว้สี่บอกฟัง เมื่อเข้าใจได้อย่างนี้เราก็กลับเข้ามาพัฒนาจิตใจพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องพูดให้ฟังต้องทําให้ดูต้องอยู่ให้เห็นเลิกตื่นเพระเวอภาวะเลิกตื่นแบบกระต่ายตื่นตูมวัดจะมีโทรทัพวัดจะมีรถยนวัดจะมีวัดมาอารามใหญ่ๆแข่งกันสร้างอาณาจากัจากรจะกวาดแข่งกันดูอย่างนี้ชาวบ้านจนกอบยอบแย่แทบจะกินคือเลิกวัตถุทางวัดอีกทีเหมือนกันหันมาพัฒนาจิตใจ เดีย๋ยวนี้จสร้างโบสถ์ใหญ่ที่สุดประจำอำเภอใหญ่ยยที่สุดประจำจังหวัดโอ้อะไรต่ออะไรแข่งกันเมื่อหลายเล่าเราจะจุดทางนี้หันมาพัฒนาทางด้านจิตใจกันสักทีเล่าพระคุณเจ้าทางหลายเอ่ยพูดอย่างนี้อย่าด่าผมนะถ้าด่าก็นิมนต์ด่าเป็นกระบุงให้อภัยแล้วเรียบร้อยอเวโรโหมิ oh เราเป็นผู้ไม่มีเวมีภยัยเราจะพูดกันในเรื่องแผ่นดินรมแผ่นดินทองต้องใจกล้ากันหน่อย เพราะฉะนั้นอดาดมานี่กับผมนี่พูดทีในเขาก็บอกว่าด่าอย่างนั้นมันตั้งใจที่สุดเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประสาสนานเดี๋ยวตายไปแล้วจะไม่มีใครพูดท่านทั้งหลายจะด่ากอดด่าได้ไม่เป็นไรเราไม่ถือโทษกอดเครืองกันพระทรงองค์เจ้าเป็นตัวอย่างพูดให้โยมฟังทำให้โยมดูจจให้โยมเห็น สอนโยมให้ขยันแต่พระนอนเวนโกนดูธาทาธ า, า, าสอนโยมให้ประหยัดแต่พระอับฟุ่มเฟื่อยมีทุกสิ่งทุกอย่างลุกซื้ออย่างนี้มิทรเรียนลิ์ติกอย่างนี้มันจะใช้อะไรได้สอนโยมให้เล่นการพ น, นั้นไม่คบคนชั่วเป็นมิตรพระบอกเลขเองซื้อเลขเองชี้ไพ่ไว้วอดกันหมดแทนดินทําเป็นดินทองมันก็จะเป็นเพียงถ้อยคําที่รูๆเท่านั้นฟังไปเลอะแต่ความจริงเกิดขึ้นไม่ได้อาละเวลา